เรื่องถามอันตรายยกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะภิกษุทั้งหลายก็แลเพึงถามอุปสัำปทาเปขะอย่างนี้อาพาธเช่นนี้ของเจ้ามีอยู่หรือคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอดโรคลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเจ้าเป็นชายหรือเจ้าเป็นไทยหรือเจ้าไม่มีเนี่ยหรือ เจ้าไม่ใช่ราชพัชร์หรือมารดาบิดาอนุญาตเจ้าแล้วหรือเจ้ามีอายุครบ20ปีหรือบาดและจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไร